แปดทุติยปฏิสัมพิทาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมพิทาสูตรที่สองสามสิบเก้าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการจึงทำให้แจ้งปฏิสัมพิทาสีด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ธรรมเจ็ดประการอะไรบ้างคือในธรรมวินัยนี้ สารีบุตรหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจิตของเรานี้หดหูสอรู้ชัดจิตทอแท้ภายในตามความเป็นจริงว่าจิตของเราทอแท้ภายใน 3. รู้ชัดจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกตามความเป็นจริงว่าจิตของเราฟุ้งซ่านไปภายนอก 5. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า เวทนาปรากฏขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไปห้ารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสัญญาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไปหกรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าวิตกปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไปเจ็ดกำหนดดีมณสิการดี ทรงจำแทงตลอดดีด้วยปัญญาซึ่งจิตในธรรมที่เป็นสัพยะและอสัพยะที่เลวและประณีตที่มีส่วนดำและขาวพิกษุท์ทั้งหลายสารีปุตรประกอบด้วยธรรมเจ็ประการนี้แลจึงทําให้แจ้งปฏิสัมพิทาสีด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ ทุติยะปฏติสัมพิทาสูที่8จบ